เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอ่านนัก ร, รมนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นครังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระครางของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงพระตรั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 แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่ดําเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางดําเนินจิตใจถ้า ม, มีเหตุมีผลเป็นเครื่องดําเนินก็ไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ควนถึงเหตุ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 ความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทําในแง่ใดไม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระประมัติต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เคลื่อนคาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติธปฏิบัติตนและพึงคํานึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอ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 ได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งในจัดสรุะเราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสําหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้ยิดท่องเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิธ์วิเศษที่จะเป็นสาระคุณสาคัญพึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้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 สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละ ล, ลายไปล่มลาไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ใช้ชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับจบจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยแล้วชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีก น, นั่นนี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่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 แล้วรั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่ให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คำานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องนี่นักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธทจ้าเป็นต้นท่านจงดำเนินอย่างนี้ทาไมท่านจะไม่ห็งไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ใยครอบครัวย่เรือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมี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 ถ้าว่าความทุกเรายังมีอยู่ภายน จ, จิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันย่างคําทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโลง่โลงๆนั่นแหละเนี่ยเนี่ยจึงว่ามันอยู่ที่จิตถ้าจิตต้องเรามีความปลอดโปร่งโลง่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเนีอยู่ในถ้าในเหวในกระถับก็ตามอยู่ในต้นไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จําเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี่โล่งนั้นโลงน่นโลงนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบาย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 ความสุขอาจจะไปหาที่ไหนนั่นก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็ น, เ ห, นเห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะขณะขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัว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 แล้วเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนังเที่ยห้านาทีสิบนาทีสิบ้านาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้หนักเห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหน ม, มันกล่อมดีขนาดนั้นนะกลอมจนเพิ่มหลับ ไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนะักปรักท่านตำหนินะพวกเราทำไมชอบนี่นนะชอบอะไรมันก็เจออ น, นั่นอชอบทำก็เจอทำชอบกิเลยชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ได้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดาเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่น นี่เราแน่ใจแล้วลว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำจังสอนที่ถูกต้องแม่นยำมาจากหลักแห่งสวดคาถธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดาเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาถาธรรม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 ตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คือนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่หลวตาคนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปไปีนขึ้นไปขืนนู่นทันวันอ๋อทำไมขึ้นไปโน้นละ่ะนิมนต์ลงมากลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งกับทางบ้านเขานะนอั น, นี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีก เมื่อจิตถึงนิพพานแนละ้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มผุมมแล้วจะปีงขึ้นมาอะ้รอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีงขึ้นมาเขือ่อนนิพพานไม่มีขื่อนดิปีงขึ้นมาเขือ่อนนี่มวลลงโดดไปเลยเลยไม่ได้เลื่อนท่นานวะตั้งขึ้นตั้งลองผิดเนี่ยคนไม่ใ ค, คร่ควรคนมาพิจารณาเถนกรงโกงจนเสือ้อทันวนะ ในวงปฏิบัติทั้งเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขือ่อเยอะหันว่าฟังสินี่ที่พวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้น่ะปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมาพิมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัว่ะเออมันพูด น, น่าฟังนะพวกบนขื่อทันว่าเงี้ยเป็นคติสาคัญ น, น่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนี่มันพูดถึงเรื่อง คนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพิพจรารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไงท่านมีว่าเห็นกลงคําว่าเห็นกลงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาทเช็ดบาทแล้วๆๆาาลแล้วท่านเอาบาข้ามลงมาแล้วท่านส่องดูบาทให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาทนตรลุตรงไหนมั่ง สองไปที่แจ้งคือสองสัปดาห์อาทิตย์นมองัไปถ้าหาว่าบาทมีทะลุตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดนี่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาทส่องเลยสองไม่ทราบเวลามามาถามแล้วส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูอาจารย์ท่านส่องนี้ก็เลยสองวันนี่บนคื่อนั่นกันท่านขึ้นบนคือท่านขึ้นไปทาธุระหน้าที่บนคื่อ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 บนบ้านเขาไม่ยอมอยู่อ้าขึ้นไปทำไมนิมนต์ล้องเหมือนนิมนต์ลงโดดลงไปเลยน่นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมกับเดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินจะคิดคิดโศกหรือคิดเพลินยุ่งไปหมดอพอออกจากทางยังกรมมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบม้าง แล้วเดินจงกรมทั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทําเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายพัวพันดุกัดกินตลอดเวลาเอาทำามนั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุง่งนั่งเยองวุ่นไวายไปหมดแฮ้ยนี่นาฬิกามก็ได้ทันนั้นนาทีได้ทันนี้นาทีเขาเห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลื อ, อพี่นาซี่นอนแล้วมันได้เรื่องแต่มันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเด มันก็ไม่ได้มักผลนิพพานอะไรลงผวังหลวงหลับก็ไปแน่ไปที่ไหนก็มีตะกิเลตตามเหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่าทําลายกิเลตมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลตตามล่าตลอดเวลาพวกเรามันพวกกิเลตตามล่าเออว่าพยายามเอาตามล่ากิเลตนะั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลตฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้ จิตมันอยากคิดไปไหนบังคับทําไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบัางคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีเหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแวกแนวจะเป็นอย่างไรนั่นะเราต้องคิดมันอยากไปไม่อยอมให้ไปอา้าวมันอยากทําที่นั้นไม่อยอมให้ทํามันจะฝืนไปได้ไหมเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ให้ไม่ให้ทําเราต้องไม่ทำนั่นะ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 เพราะป้อนเหตุให้เรื่อยๆทันยุ่งว่าการฟังทมผลเนี้ยห้าประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมพองใสนะัดจิตจะพองใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรมกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดว่าขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั่นเท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปเช้ได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิด <c oughs> เค ย, เคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการใช้รู้เห็นให้เข้าใจในอัดในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสกิตใจพราะใจสิ่งอื่นๆมาสัมผัสสมำมากมากกับกองจนจะใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเด็ตศนาอาสวะเป็นจิตใจเปลือยใจผีไปอะไรก็ไม่รู้หรอกใจในโลกอเวกีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามากคอบวนวุ่นวายเวลานี้ใจเป็นภาชนะสําหรับรับธรรม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 สิ่งที่ไม่ดีนั่นเนี่ยิดชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นกิดยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนกิดใจขึ้นมาโดยลาดับนั่นแหละจนจะล่างตัวไม่ ไ, ม ไ, มได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดกิดเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิดของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ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 าจาิตใจมันเข้มขน้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มขน้น<ม>การแสดงออกมันก็มีรสมีชาแน่จะว่าไงมันออกปจับใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำ ด, ดับจากการปฏิบัติในกิจกภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นกิจ นอกประเด็นหรือเป็นจิตพิเศษไปอะไร น, นี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปช่วงการช่วเวลาแล้วพอพัพลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความคิดลังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมตินี้จึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้อ่าั